ที่ว่าเป็นความรู้ต้นคือเป็นความรู้เริ่มแรกเมื่อเห็นได้ยินเป็นต้นจึงจะรู้สึกชื่นใจหรือบีบขันใจจึงจะกำหนดได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่จึงจะจำานงตอบและคิดปรุงแต่งไปต่างๆเช่นเมื่อเห็นหรือได้ยินตรงนี้เกิดวิญญาณขึ้นรู้สึกชื่นใจหรือบีบขันใจตรงนี้เป็นเวทนา กำหนดได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ตรงนี้เป็นสัญญามีการจำนวงตอบและคิดปรุงแต่งไปต่างๆตรงนี้เกิดสังขารเช่นเห็นท้องฟ้าตรงนี้เกิดวิญญาณรู้สึกสบายตาชื่นใจตรงนี้เป็นเวทนาหมายรู้ว่าท้องฟ้าสีครามสดใสฟ้าสายฟ้าบ่ายฟ้าสวยตรงนี้เป็นสัญญา ชอบใจฟ้านั้นอยากเห็นฟ้านั้นนานๆไม่อยากให้เวลาผ่านไปโกรธชายคาที่บังไม่ให้เห็นฟ้านั้นเต็มที่คิดหาวิธีจะทําให้ได้นั่งดูฟ้านั้นได้สบายสบายชัดเจนและนานๆทั้งหมดนี้เป็นสังขารส่วนที่ว่าวิญญาณเป็นความรู้ตามด้วยนั้นที่รู้ตามคือรู้คั้วไปตามกิจกรรมของขันอื่ น, นๆเช่นรู้สึกสุขสบาย ก็รู้ว่าเป็นสุขรู้สึกสุขสบายเป็นเวทนาที่รู้ว่าเป็นสุขรู้นั้นเป็นวิญญาณพึงสังเกตว่ารู้สึกสุขกับรู้ว่าเป็นสุขไม่เหมือนกันรู้สึกบีบคั้นใจไม่สบายก็รู้ว่าเป็นทุกข์รู้สึกบีบคั้นใจไม่สบายเป็นเวทนาที่รู้ว่าเป็นทุกข์รู้นั้นเป็นวิญญาณหมายรู้ว่าอย่างนี้เป็นสุข อย่างนั้นเป็นทุก์ก็รู้ไปตามนั้นที่หมายรู้ว่าอย่างนี้เป็นสุขอย่างนั้นเป็นทุก์ความหมายรู้นั้นเป็นสัญญาความรู้ที่รู้ไปตามนั้นเป็นวิญญาณเมื่อคิดนึกปรุงแต่งตั้งเจตจำนงไปอย่างใดอย่างใดคือมีสังขารไปอย่างใดก็ยังมีความรู้ควบอยู่พร้อมกันด้วยโดยตลอดกระแสะความรู้ยืนพื้นซึ่งเกิดดับต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาคั่วไปกับนามขันอื่น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 เมื่อรู้แล้วนามาขันอื่นจึงจะทํางานหรือปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นเกิดเวทนารู้สึกอร่อยไม่อร่อยเกิดสัญญาจําได้หมายรู้ว่ารสหวานอะไรรสเปรี้ยวอะไรเป็นต้นส่วนในแง่ที่ว่ารู้ความหมายเฉพาะนั้นอธิบายสั้นๆว่าเมื่อเกิดวิญญาณขึ้นคือเห็นได้ยินเป็นต้นว่าที่จริงแล้ว จะเป็นการเห็นการได้ยินเฉพาะบางแง่บางความหมายของสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเท่านั้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าจะเป็นการเห็นการได้ยินตามความหมายเฉพาะแง่เฉพาะอย่างที่เราใส่ให้แก่สิ่งนั้นทั้งนี้สุดแต่สังขารที่เป็นปัจจัยให้บัญญาณ น, นั้นเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นในท้องทุ่งแห่งหนึ่งเป็นที่โล่งกว้างมีต้นมะม่วงขึ้นอยู่ต้นเดียวเป็นต้นใหญ่มากแต่มีผลอยู่เพียงไม่กี่ลูก